กรรมสนองกรรมเจ้าหนุ่มไปประเทศลาวไปได้ลูกระเบิดแก๊สเข้ามามันไปสองคนได้มาคนละสองลูกลูกระเบิดอันนั้นเมื่อระเบิดขึ้นมามันจะไม่เป็นอันตรายแต่ว่ามันจะมีดินดำดินปืนเนี่ยระเบิดปุ้งเข้ามาถูกตัวตรงไหนที่ไม่มีเสื้อปกปิดอย่างใบหน้า ไม่มีเสื้อผ้าปกปิดมันจะไปติดที่ตรงนั้นติดแล้วทำยังไงก็ล้างไม่ออกตัวดําเป็นหมึกไปเลยทีแรกนึกว่าจะไม่เป็นอะไรพอวันดีคืนดีมันลุกขึ้นมามันลุกเป็นไฟลามลามไปเหมือนเราเอาข้างไม้ขีดไฟมาจุดไฟมันลามลามไปตามผิวหนังสุกไปทั่วกายไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็แก้ไม่ได้ลงผลสุดท้ายตายด้วยความทรมาน มันไปทำกรรมอะไรมันเอาลูกระเบิดจะไปจี้ไปปล้นเขาไปขู่เขาแล้วตัวเองไม่ชำนาญในการใช้ระเบิดมันก็ระเบิดถูกตัวเองเพราะระเบิดเกิดควันปุ๊บมาโดนตัวเองในช่วงที่ไม่มีลมพัดผ่านด้วยตรงไหนที่ไม่มีเสื้อผ้าปิดบังก็ไปติดตรงนั้นติดแบบไปอาบน้ำสิบบ่มันก็ไม่ออกฟอกสบู่อย่างไรมันก็ไม่ออกยู่อยู่แล้ววันดีคืนดีก็ลุกเป็นไฟขึ้นมา อันนี้เขาเรียกว่ากรรมสนองกรรม